พระอภิธรรมปิดกวิพังขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งขันธวิพังหนึ่งสุตันตพาชนีหนึ่งขันห้าคือหนึ่งรูปขันกองรูปสองเวทนาขันกองเวทนาสาสัญญาขัน กองสัญญา 4. สังขารขันกองสังขาร 5. วิญญาณขันกองวิญญาณ 1. รูปขันสองบรรดาขันห้านั้นรูปขันเป็นไนะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งคือรูปที่เป็นอดีตรูปที่เป็นอนาคตรูปที่เป็นปัจจุบันรูปที่เป็นภายในตน รูปที่เป็นภายนอกตนรูปหยาบรูปละเอียดรูปชั้นตันรูปชั้นปรานีตรูปไก่หรือรูปไก่ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่ารูปขัน 3. ในรูปขันนั้นรูปที่เป็นอดีตเป็นฉไน รูปใดล่วงไปแล้วดับไปแล้วปราศจากไปแล้วแปรไปแล้วถึงความดับแล้วถึงความดับสิ้นแล้วที่เกิดขึ้นปราศจากไปแล้วที่เป็นอดีตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีตได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสคืออุปาทายรูปนี้เรียกว่ารูปที่เป็นอดีต รูปที่เป็นอนาคตเป็นฉไหนรูปใดยังไม่เกิดยังไม่เป็นยังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดเฉพาะยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นพร้อมยังไม่ตั้งขึ้นยังไม่ตั้งขึ้นพร้อมที่เป็นอนาคตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคตได้แก่มหาพูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่า รูปที่เป็นอนาคตรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นไนรูปใดเกิดอยู่เป็นอยู่เกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมตั้งขึ้นตั้งขึ้นพร้อมที่เป็นปัจจุบันสงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบันได้แก่มหาภูตารูป4ี่และรูปที่อาศัยมหาภูตารูปสี่ นี้เรียกว่ารูปที่เป็นปัจจุบัน 4. รูปที่เป็นภายในตนเป็นฉไนะรูปใดของสัตว์นั้นนั้นที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่มหาภูตารูปสและรูปที่อาศัยมหาภูตารูปสี่นี้เรียกว่ารูปที่เป็นภายในตน รูปที่เป็นภายนอกตนเป็นฉนัยรูปใดของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่การมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่มหาภูตา ร, รูปสและรูปเทีาศัยมหาภูตา ร, รูปสนี้เรียกว่ารูปที่เป็นภายนอกตนห รูปหยาบเป็นไนจักขายะตนะโพธพายตนะนี้เรียกว่ารูปหยาบรูปละเอียดเป็นไนอิถินสีกวลิงการาหานนี้เรียกว่ารูปละเอียด 6. รูปชั้นต่ำเป็นไนรูปใดของสัตว์นั้นๆที่น่าดูมินหน้าเหยียดหยามน่าเกลียดน่าตําหนิไม่น่ายกย่อง เป็นชั้นต่ำรู้กันว่าเป็นชั้นต่ำสมมติกันว่าเป็นชั้นต่ำไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักไม่น่าชอบใจได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและโพธพภะนี้เรียกว่ารูปชั้นต่ำรูปชั้นประณีตเป็นฉไนะรูปใดของสัตว์นั้นๆที่ไม่น่าดูหมินไม่น่าเหยียดหยามไม่น่าเกลียดไม่น่าตาหนิ น่ายกย่องเป็นชั้นประนีตรู้กันว่าเป็นชั้นประณีตสมมุติกันว่าเป็นชั้นประนีตน่าปรารถนาน่ารักน่าชอบใจได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและผลถพระนี่เรียกว่ารูปชั้นประนีตพึงทราบรูปชั้นต่ำรูปชั้นประนีตโดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้นๆเป็นชั้นชัไปเจ็ รูปไกลเป็นฉไนอิทธินีกวาลิงการาหานันหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ในที่ไม่ไกลในที่ไม่ใกลชิดในที่ไกลในที่ไม่ไกลนี้เรียกว่ารูปไกลรูปไกลเป็นฉไนจะขายตนะโพธพายตนะหรือรูปแม้อื่นมีอยู่ในที่ใกลในที่ใกลชิด ในที่ไม่ไกลในที่ใกลนี้เรียกว่ารูปใกล้พึงทราบรูปใกลรูปใกล้โดยอาศัยเทียบเคียงรูปนั้ น, น, นเป็นชั้นๆันไป 2. เวทนาขัน 8. บรรดาขัน5นั้นเวทนาขันเป็นฉไนะเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือเวทนาที่เป็นอดีต เวทนาที่เป็นอนาคตเวทนาที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นภายในตนเวทนาที่เป็นภายนอกตนเวทนาหยาบเวทนาละเอียดเวทนาชั้นต่ำเวทนาชั้นประนีตเวทนาไกลหรือเวทนาใกล้ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่าเวทนาขัน เก้าในเวทนาขันธ์นั้นเวทนาที่เป็นอดีตเป็นฉไนเวทนาใดล่วงไปแล้วดับไปแล้วปราศจากไปแล้วแปรไปแล้วถึงความดับแล้วถึงความดับสิ้นแล้วที่เกิดขึ้นปราศจากไปแล้วที่เป็นอดีตจงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีตได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุก ข, ขมสุขเวทนา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 ที่เป็นปัจจุบันสงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบันได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนานี้เรียกว่าเวทนาที่เป็นปัจจุบัน 10. เวทนาที่เป็นภายในตนเป็นฉไนเวทนาใดของสัตว์นั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคล ที่รมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่สุขเวทนาทุกเวทนาและอทุกขมสุขเวทนานี้เรียกว่าเวทนาที่เป็นภายในตนเวทนาที่เป็นภายนอกตนเป็นฉะไหนเวทนาใดของสัตว์อื่นบุคคลอื่นนั้นๆ ที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนานี่เรียกว่าเวทนาที่เป็นภายนอกตน11เเวทนาหยาบเวทนาละเอียดเป็นฉไฉเวทนาที่เป็นอกุศล เป็นเวทนาหยาบเวทนาที่เป็นกุศลและอัพยกริตเป็นเวทนาละเอียดเวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเวทนาหยาบเวทนาที่เป็นอัพยกริตเป็นเวทนาละเอียดทุกขเวทนาเป็นเวทนาหยาบสุขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาเป็นเวทนาละเอียด สุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเวทนาหยาบอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาละเอียดเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาหยาบเวทนาของผู э ้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาละเอียดเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาหยาบเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาละเอียด พึงทราบเวทนายาบเวทนาละเอียดโดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆเป็นชั้นๆไปนไป 12. เวทนาชั้นต่ำเวทนาชั้นประนีเป็นชนหะนเวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาชั้นต่ำเวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากระเป็นเวทนาชั้นประนี เวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเวทนาชั้นตำ่ำเวทนาที่เป็นอัพยากริตเป็ น, น, ปนเวท น, นาชั้นประณีตทุกขเวทนาเป็นเวทนาชั้นตำ่ำสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาชั้นประณีตสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเวทนาชั้นต่ำอทุกขมสุขเวทนาเป็นเวทนาชั้นประณีต เวทนาของผู se, ้ไม่เข้าสมาบัติเป็นเวทนาชั้นต่ำเวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาชั้นประณีตเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาชั้นต่ำเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาชั้นประณีตพึงทราบเวทนาชั้นต่ำเวทนาชั้นประนีตโดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆเป็นชั้นๆไป 13. เวทนาไกลเป็นไนเวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤริเวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤริเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอกุศลเวทนาที่เป็นกุศลเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอกุศลและอัพยกฤรเวทนาที่เป็นอกุศลและอัพยกฤต เป็นเวทนาไกลจากเวทนาที pues an ่เป็นกุศลเวทนาที่เป็น pues อ an ัพยกฤิตเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอัพยกฤิตทุกขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากสุขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนา สุขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากทุกขเวทนาสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากทุกขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากสุขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากสุขเวทนาและทุกขเวทนา สุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นเวทนาไกลจากอทุกขะมสุขเวทนาเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัตเป็นเวทนาไกลจากเวทนาของผู้เข้าสมาบัติเวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาไกลจากเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาไกลจากเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี่เรียกว่าเวทนาไกลเวทนาใกล้เป็นไนเวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่เป็นอกุศลเวทนาที่เป็นกุศลเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่เป็นกุศล เวทนาที่เป็นอัพยากริตเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่เป็นอัพยากริตทุกขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับทุกขเวทนาสุขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับสุขเวทนาอัุกขรมสุขเวทนาเป็นเวทนาใกล้กับอัทุกขรมสุขเวทนาเวทนาของผู้ไม่เข้าสมาบัตเป็นเวทนาใกล้กับเวทนา ของผู้ไม่เข้าสมาบัติเวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาของผู้เข้าสมาบัติเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเวทนาใกล้กับเวทนาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ นี้เรียกว่าเวทนาใกล้พึงทราบเวทนาไกลเวทนาใกล้กลโดยอาศัยเทียบเคียงเวทนานั้นๆเป็นชั้นๆไป 3. สัญญาขันสิบสบรรดาขันห้านั้นสัญญาขันเป็นฉไนะสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสัญญาที่เป็นอดีตสัญญาที่เป็นอนาคตสัญญาที่เป็นปัจจุบัน สัญญาที่เป็นภายในตนสัญญาที่เป็นภายนอกตนสัญญาหยาบสัญญาละเอียดสัญญาชั้นต่ำสัญญาชั้นประนีตสัญญาไกลหรือสัญญาใกล้ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่าสัญญาขันสิบหในสัญญาขันนั้นสัญญาที่เป็นอดีตเป็นฉไหน สัญญาใดล่วงไปแล้วดับไปแล้วปราศจากไปแล้วแปรไปแล้วถึงความดับแล้วถึงความดับสิ้นแล้วที่เกิดขึ้นปราศจากไปแล้วที่เป็นอดีตสงเคราะห์เก้ากับส่วนอดีตได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่โสตสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่คาณะสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัส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 ยังไม่ตั้งขึ้นพร้อมที่เป็นอนาคตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอนาคตได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จกักขุสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าสัญญาที่เป็นอนาคตสัญญาที่เป็นปัจจุบันเป็นไฉนะสัญญาใดเกิดอยู่เป็นอยู่เกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏ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 สัญญาใดของสัตว์นั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมอันประกอบได้ตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จกักขูสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าสัญญาที่เป็นภายในตนสัญญาที่เป็นภายนอกตนเป็นฉไหน สัญญาใดของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นนั้นที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่สัญญาที่เกิดแต่จกักรสัมผัสสัญญาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าสัญญาที่เป็นภายนอกตน 17. สัญญาหยาบสัญญาละเอียดเป็นไนสัญญาที่เกิดแต่ปฏิคะสัมผัสคือสัมผัสที่เกิดทางปัญจทวารเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่เกิดแต่อธิวจนะสัมผัสคือสัมผัสที่เกิดทางมโนทวารเป็นสัญญาละเอียดสัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่เป็นกุศล และอัพยากฤษตเป็นสัญญาละเอียดสัญญาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่เป็นอัพยากฤษตเป็นสัญญาละเอียดสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่สัมปยุตด้วย cosas, Louise, loop. สุขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาเป็นสัญญาละเอียด สัญญาที hey. Portland, ่ส yeah. ัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาละเอียดสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาหยาบสัญญาของผู้เข้าสมาบัตเป็นสัญญาละเอียดสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาหยาบสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นสัญญาละเอียดพึงทราบสัญญาหยาบสัญญาละเอียดโดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆเป็นชั้นๆไปสิบแปสัญญาชั้นต่ำสัญญาชั้นประณีตเป็นไฉหนะสัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นสัญญาชั้นประนีต สัญญาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาที่เป็นอัพยกฤะเป็นสัญญาชั้นประนีตสัญญาที่สัมยุญด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาและทุกขธมสุขเวทนาเป็นสัญญาชั้นประนีตสัญญาที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญาชั้นต่ำ สัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาชั้นประนีตสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาของผู้เข้าสมาบัติเป็นสัญญาชั้นประนีตสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาชั้นต่ำสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาชั้นประนีต พึงทราบสัญญาชั้นต่ำสัญญาชั้นประณีโดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆเป็นชั้นๆไปสิ้สัญญาไกลเป็นฉไหนะสัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาไกลาจากสัญญาที่เป็นกุศลและอัพยกฤตสัญญาที่เป็นกุศลและอัพยกริษ เป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นอกุศลสัญญาที่เป็นกุศลเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นอกุศลและอัพยากฤิตสัญญาที่เป็นอกุศลและอัพยากฤิตเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นกุศลสัญญาที่เป็นอัพยากฤิตเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นกุศลและอกุศล สัญญาที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นอัพยากริตสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมัสุขเวทนาสัญญาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมัสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา สัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่สัมปยุทธ ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสัญญาไกลาจากสัญญาที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนาสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัตเป็นสัญญาไกลจากสัญญาของผู้เข้าสมาบัตสัญญาของผู้เข้าสมาบัตเป็นสัญญาไกลจาก ส, สัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัต สัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาไกลจากสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าสัญญาไกลสัญญาใกล้เป็นไนสัญญาที่เป็นอกุศลเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นอกุศล สัญญาที่เป็นกุศลเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นกุศลสัญญาที่เป็นอัพยกรติเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นอัพยกริสัญญาที่สัมปยุทธด้วยทุกขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่สัมปยุทธด้วยทุกขเวทนาสัญญาที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนา สัญญาที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่สัมปยุต ด, ด้วยอทุกขมสุขเวทนาสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัตเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาของผู้ไม่เข้าสมาบัตสัญญาของผู้เข้าสมาบัตเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาของผู้เข้าสมาบัตสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสัญญาใกล้กับสัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าสัญญาใกล้พึงทราบสัญญาใกล้สัญญาใกล้โดยอาศัยเทียบเคียงสัญญานั้นๆเป็นชั้นๆไป 4. สังขารขันยี่สิ บรรดาขันห้านั้นสังขารขันเป็นฉไนสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งคือสังขารที่เป็นอดีตสังขารที่เป็นอนาคตสังขารที่เป็นปัจจุบันสังขารที่เป็นภายในตนสังขารที่เป็นภายนอกตนสังขารหยาบสังขารละเอียดสังขารชั้นต่ําสังขารชั้นประนีตสังขารไกลหรือสังขารใกล้ ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่าสังขารขันยี่สในสังขารขันนั้นสังขารที่เป็นอดีตเป็นฉันย์สังขารเหล่าใดล่วงไปแล้วดับไปแล้วปราศจากไปแล้วแปรไปแล้วถึงความดับแล้วถึงความดับสิ้นแล้วที่เกิดขึ้นปราศจากไปแล้ว ที่เป็นอดีตสงเคราะห์เข้ากับส่วนอดีตได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขูดสัมผัสเจตนาที ast, ่เกิดแต่โสดสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่คาณาสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าสังขารที่เป็นอดีต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 เจตนาที่เกิดแต่จกักขุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าสังขารที่เป็นอนาคตสังขารที่เป็นปัจจุบันเป็นไฉไรสังขารเหล่าใดเกิดอยู่เป็นอยู่เกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมตั้งขึ้น ตั้งขึ้นพร้อมที่เป็นปัจจุบันสงเคราะห์เข้ากับส่วนปัจจุบันได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จกักรสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าสังขารที่เป็นปัจจุบัน 22. สังขารที่เป็นภายในตนเป็นฉนหนสังขารเหล่าใดของสัตว์นั้นที่เป็นภายในตน มีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขูสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าสังขารที่เป็นภายในตนสังขารที่เป็นภายนอกตนเป็นฉไนะสังขารเหล่าใดของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นนั้นๆที่เป็นภายนอกตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขูดสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเหล่านี้เรียกว่าสังขารที่เป็นภายนอกตนยี่สิบสาม สังขารหยาบสังขารละเอียดเป็นฉไฉนสังขารที่เป็นอกุศลเป็นสังขารหยาบสังขารที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นสังขารละเอียดสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสังขารหยาบสังขารที่เป็นอัพยากฤตเป็นสังขารละเอียดสังขารที่สัมปยุทธด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารหยาบสังขารที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนา และอทุกคมะสุขเวทนาเป็นสังขารละเอียดสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสังขารหยาบสังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาเป็นสังขารละเอียดสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารหยาบสังขารของผู้เข้าสมาบัติเป็นสังขารละเอียดสังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นสังขารหยาบสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารละเอียดพึงทราบสังขารหยาบสังขารละเอียดโดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆเป็นชั้นๆไปยีสิสสังขารชั้นต่ำสังขารชั้นประณีตเป็นฉนัยสังขารที่เป็นอกุศลเป็นสังขารชั้นต่ำ ส, สังขารที่เป็นกุศลและอัพยากฤะเป็นสังขารชั้นปรีิสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสังขารชั้นต่ำสังขารที่เป็นอัพยากฤะเป็นสังขารชั้นแปรีิสังขารที่สัมพยุดด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารชั้นต่ำสังขารที่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสังขารชั้นต่ำ สังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขะมสุขเวทนาเป็นสังขารชั้นประณีตสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารชั้นต่ำสังขารของผู้เข้าสมาบัติเป็นสังขารชั้นประนีตสังขารที่เป็นนารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารชั้นต่ำสังขารที่ไม่เป็นนารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารชั้นประนีตพึงทราบสังขารชั้นต่ำสังขารชั้นประนีต โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆเป็นชั้นๆไปยี่สิสังขารไกลเป็นชไหนสังขารที่เป็นอกุศลเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นกุศลและอัพยากระิสังขารที่เป็นกุศลและอัพยากระเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นอกุศล สังขารที่เป็นกุศลเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตสังขารที่เป็นอกุศลและอัพยากฤตเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นกุศลสังขารที่เป็นอัพยากฤตเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นอัพยากฤต สังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและอทุกขมะทุกขเวทนาสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา เป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นสังขารไกลจากสังขารที่สัมปยุตด้วยอาทุกขะมสุขเวทนาสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารไกลจากสังขารของผู้เข้าสมาบัตสังขารของผู้เข้าสมาบัตเป็นสังขารไกลจากสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติสังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นสังขารไกลจากสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารไกลจากสังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเหล่านี้เรียกว่าสังขารไกลสังขารใกล้เป็นไนสังขารที่เป็นอกุศลเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่เป็นอกุศล สังขารที่เป็นกุศลเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่เป็นกุศลสังขารที่เป็นอัพยากระิเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่เป็นอัพยากระิสังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา สังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นสังขารใกล้กับสังขารของผู้ไม่เข้าสมาบัติสังขารของผู้เข้าสมาบัติเป็นสังขารใกล้กับสังขารของผู้เข้าสมาบัติสังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นสังขารใกล้กับสังขารที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นสังขารใกล้กับสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเหล่านี้เรียกว่าสังขารใกล้พึงทราบสังขารไกลสังขารใกล้โดยอาศัยเทียบเคียงสังขารนั้นๆเป็นชั้นๆไป 4. วิญญาณขัน2ี่6บรรดาขันห้านั้นวิญญาณขันเป็นฉไนวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งคือวิญญาณที่เป็นอดีตวิญญาณที่เป็นอนาคตวิญญาณที่เป็นปัจจุบันวิญญาณที่เป็นภายในตนวิญญาณที่เป็นภายนอกตนวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียดวิญญาณชั้นต่ำ วิญญาณชั้นประนีวิญญาณไกลหรือวิญญาณใกล้ประมวลย่อเข้าเป็นกองเดียวกันนี้เรียกว่าวิญญาณขันยี่สในวิญญาณขันนั้นวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นฉนะวิญญาณใดล่วงไปแล้วดับไปแล้วปราศจากไปแล้วแปรไปแล้วถึงความดับแล้ว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 นี้เรียกว่าวิญญาณที่เป็นภายในตนวิญญาณที่เป็นภายนอกตนเป็นฉนวิญญาณใดของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นนั้นๆที่เป็นภายในตนมีเฉพาะตนเกิดในตนมีเฉพาะบุคคลที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือได้แก่จักขุวิญญาณมโนวิญญาณนี้เรียกว่า ว children, ิญญาณที่เป็นภายนอกตน29วิญญาณหยาบวิญญาณละเอียดเป็นไนวิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่เป็นกุศลและอัพยากฤิตเป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่เป็นอัพยากฤิตเป็นวิญญาณละเอียด วิญญาณที well ่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและอทุกขรรมสุขเวทนาเป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขรมสุขเวทนาเป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัต เป็นวิญญาณหยาบวิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณละเอียดวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณหยาบวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณละเอียดพึงทราบวิญญาณหยาบวิญญาณละเอียดโดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้นๆเป็นชั้นๆไปสาวิญญาณชั้นต่ํา วิญญาณชั son, tai, そうそうそう้นประณีตเป็นฉไนวิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณที่เป็นกุศลและอัพยกฤตเป็นวิญญาณชั้นประณีตวิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณที่เป็นอัพยกฤะเป็นวิญญาณชั้นประณีตวิญญาณที่สัมยุญด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณชั้นต่ำ วิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาเป็นวิญญาณชั้นประณีตวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนาเป็นวิญญาณชั้นประณีตวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณชั้นต่ำ วิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณชั้นประนีตวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณชั้นประณีตพึงทราบวิญญาณชั้นต่ำวิญญาณชั้นประณีตโดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้นๆเป็นชั้นๆไปสามอ วิญญาณไกลเป็นฉนวิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นกุศลและอัพยกฤะวิญญาณที่เป็นกุศลและอัพยกฤะเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นอกุศลวิญญาณที่เป็นกุศลเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นอกุศลและอัพยกฤต วิญญาณที่เป็นอกุศลและอัพยากริตเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นกุศลวิญญาณที่เป็นอัพยากริตเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศลวิญญาณที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นอัพยากริตวิญญาณที่สำประยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา เป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและ อทุกขมะสุขเวทนาวิญญาณที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาวิญญาณที่สัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนา วิญญาณที่สัปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่สมประยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัตเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณของผู้เข้าสมาบัติวิญญาณของผู้เข้าสมาบัตเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติวิญญาณที่เป็นนารมณ์ของอาสวะ เป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที in ่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณไกลจากวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี่เรียกว่าวิญญาณไกลวิญญาณใกล้เป็นไนวิญญาณที่เป็นอกุศลเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นอกุศล วิญญาณที่เป็นกุศลเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นกุศลวิญญาณที่เป็นอัพยากฤิตเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นอัพยากฤตวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา วิญญาณที่สามปะยุทธ์ด้วยอทุกขมะสุขเวทนาเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่สามปะยุทธ์ด้วยอทุกขคมะสุขเวทนาวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณของผู้ไม่เข้าสมาบัติวิญญาณของผู้เข้าสมาบัติเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณของผู้เข้าสมาบัต วิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่เป็นอารมณ์ของอาสวะวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นวิญญาณใกล้กับวิญญาณที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าวิญญาณใกล้พึงทราบวิญญาณไกลวิญญาณใกล้โดยอาศัยเทียบเคียงวิญญาณนั้นๆเป็นชั้นๆไป สุดตันตภาชนีจบ